สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้อยู่กับผมนัทพลดีอุดนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้ามิลลิเฮิร์ตนะครับกับเรื่องดาวข่าวสารเกี่ยวกับอาหารผู้ชนะการนะครับงานวิจัยอาหารต่างๆและวัฒกรรมอาหารต่างๆที่ เราจะนำมาพูดคุยในรายการแห่งนี้นะครับมาเริ่มกันในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังในตอนต้นของรายการแบบนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวของอยาดองมาฝากคุณผู้ฟังนะครับโดยกรมการแพทย์แผนไทยครับเตือนอย่าซื้ อ, อยาดองกินเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่อยาบำรุงร่างกายนะครับแต่เป็นส่วนประกอบของการปรุงยาของหมอแผนไทยต้องนำไปเข้าสูตรตำรับนะครับควรไปหาแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญพอรู้วิธีการสกัดหรือการดึงประโยชน์ออกมาใช้นะครับส่วนคนทั่วไปที่ปรุงยา ยาดองเองเข้าขายต้มเหล้าเถื่อนผิดกฎหมายนะครับจะมีความผิดทั้งการผลิตการขายที่ไม่ขออนุญาตสู่การติดเหล้าได้นะครับโดยนายแพทย์ปราโมทเสถียรรัตน์ครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะฮะหลังจากการซื้อยาดองสูตรใหม่ที่ผสมด้วยรากสามสิบขังโคกและเหล้าขาวมากินนะครับว่าจริงๆแล้วในภูปัญญาตั้งแต่ต้นและตำรับแผนไทยก็มีเรื่องของยาดอง แต่ยาดองเป็นแค่ส่วนประกอบในการปรุงยาของหมอแพทย์แผนไทยเท่านั้นนะครับคือจะต้องนำไปเข้าสูตรตำหรับอีกไม่ใช่แค่เอามาใช้กินแบบเดียวๆหรือเอามากินกันเองนะครับจะ ต้องสั่งโดยใช้แพทย์แผนไทยหรือหมอแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะทราบว่าจะต้องนำไปผสมอะไรบ้างนำไปปรุงกับยาหรือสมุนไพรตัวไหนนะครับหรือการใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษาไม่เกิดพิษต่อผู้ป่วยนะครับเรียกว่าเป็นการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายนะครับโดยการปรุงยาแพทย์แผนไทยจะมีทั้งพืชวัตถุสัตว์วัตถุรวมถึงธาตุวัตถุนะครับโดยส่วนใหญ่สัตว์วัตถุจะอยู่ในรูปแบบของยาดองโดยอาจ จะดองเพื่อทำลายพิษนะครับซึ่งสัตว์ที่เอามาดองก็มีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาทางกรมการแพทย์แผนไทยเองก็ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการใช้สัตว์วัตถุนะครับจึงไม่ค่อยมีงานวิจัยแต่จะเน้นในเรื่องของการใช้พืชสมุนไพรเป็นหลักเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีมากนะครับแต่สัตว์วัตถุส่วนใหญ่เป็นสัตว์สงวนอย่างเช่น ดีหมีอุ้งตีนเสือรวมถึงว่าเป็นสัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ต้องห้ามนะครับส่วนสัตว์ทั่วไปอย่างตุ๊กแกคางคกนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีพิษดังนั้นคนที่จะนำมาใช้จึงต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญรู้ว่าสกัดพิษออกมาอย่างไรนะครับแล้วนำไปใช้อย่างไรจึงแนะนำนะครับว่าประชาชนทั่วไปไม่ควรไปหาซื้อมารับประทานเองเพราะไม่ใช่แค่การเป็นยาบำรุงร่างกายทั่วไปนะครับแต่ควรไปพบ หมอแพทย์แผนไทยที่เชี่ยวชาญจะดีกว่านะครับโดยนายแพทย์ประโมทกล่าวอีกนะครับว่านอกจากนี้ประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรทำยาดองทานเองนะครับเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ที่สำคัญการทำยาดองเองโดยไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเพื่อรักษาผู้ป่วยถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายเพราะการดองส่วนใหญ่แอลกอฮอล์จะเกินปริมาณที่กำหนดอยู่แล้วนะครับอาจเข้าข่ายในการ ต้มเหล้าเถื่อนเพราะเป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะครับด้านผู้จัดจัดการสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงา น, น, งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะฮะกล่าวนะครับว่ายาดองเองนะครับหากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านที่มีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องและนำมาใช้รักษาผู้ป่วยของตนก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้เองนะครับเกิดจากคนทั่วไปเนี่ยทำยาดองเอามาดื่มหรือทำขายนะครับซึ่งตรงนี้อาจผิดกฎหมายหลายมาตราเลยทีเดียวเพราะการทำยาดองอย่างไร ก็ดีก็มีแอลกอฮอล์เกินมาตรฐานที่กำหนดอยู่แล้วนั่นก็คือเกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับตรงนี้เองจะเข้าข่ายของการทำผิดพระราชบัญญตัติสัมประสิทธิ์มิตรในการผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและหากมีการขายให้กับคนทั่วไปก็อาจผิดฐานขายโดยไม่มีใบอนุญาตขายด้วยนะครับนอกจากนี้เองก็อาจผิดพระราชบัญญตัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ด้วยนะครับเพราะอาจขายในพื้นที่สาธารณะขายให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุที่กำหนดนะครับหรือขายผิดเวลา น, น, นอกจากนี้เองยาดองยังนำไปสู่การติดเหล้าด้วยนะครับเพราะมีการอ้างสปปรรพคุณอย่างเช่นโดไม่รู้ร้มก็จะชวนให้เกิดการดื่มจำนวนมากดื่มจนติดหรือในหญิงตั้งครรภ์และครบรู ก, ก็มีความเชื่อที่ต้องบำรุงร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้อาจเป็นอันตรายกับเด็กในท้องและทารกซึ่งอาจจะได้รับผ่านทางน้ำนมแม่และการดื่มติดต่อกันก็อาจ เจอหลายลายที่นำไปสู่การติดเล่าประเภทอื่นๆนะครับได้นอกจากนี้เองการดองเช่นนี้อาจเกิดเมจิแอลกอฮอล์ข、oh ok、ึ้นได้นะครับซึ่งมีผลทำให้ตาบอดได้อีกนะครับ ด้านเภสัชกรพักการกองขวัญข้าวนะครับเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวนะครับว่ารากสามสิบเองเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงมีสปรรพคุณบำรุงร่างกายช่วยเพิ่มน้ำนมหญิงหลังคลอดนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศมีการนำน้ำรากสามสิบนะฮะและขึ้นทะเบียนเป็นอาหารกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยนะครับแต่ก็มีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือหนอนไตา ย, ยากที่หากไม่เชี่ยวชาญจริงๆจะเข้าใจว่าเป็นรากสามสิบ แต่สมุนไพรตัวนี้เป็นพืชฆ่ า, มาแมลงนะครับมีพิษร้ายส่วนกรณีข่าวดังกล่าวก็ต้องไปสู่การดูว่าสูตรเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทราบว่ามีการผสมคางคกก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะคางคกมีต่อมเมือกที่ทำให้เกิดพิษและกระบวนการการดองเป็นอย่างไรขณะที่ตัวผู้ป่วยมีโรครุนแรงก่อนด้วยหรือไม่ซึ่งต้องพิจารณาหลายๆองค์ประกอบสำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปรายนี้นะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจากมัติชนออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังครับ นี่คือเรื่องราวในตอนต้นของรายการที่นำมาฝากคุณฟังในวันนี้กับเรื่องราวของยาดองนะครับหลายคนที่หายาดองมารับประทานเองเพื่อเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ายาดองจริงๆแล้วเนี่ยหากดื่มโดยการไดการรับรองจากหรือการปรุงจาก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 รับมากับเรื่องเล่าก่อนเข้าครัวครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่แล้วเรารับฟังข่าวสารเรื่องเราวของยาดองไปแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มีเรื่องเราวของการดื่มเบียร์มาฝากคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของการดื่มเบียร์แล้ว อ้วนลงพุงจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับคงเชื่อว่าการดื่มเบียร์เป็นประจำนั้นทำให้อ้วนลงพุงนะครับแต่จะจริงหรือเท็จอย่างไรถ้าไม่ดื่มเบียร์แล้วอ้วนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีบทความมาไข ค, คำตอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับเบียร์ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำมาจากธั ญ, ญพืชอย่างข้าวสาลีข้าวไร ห, หรือข้าวบาเล่นะครับหมักเข้ากับยีสต์และใส ด็อกขอบเพื่อเพิ่มรสขมนะครับซึ่งช่วยตัดรสหวานที่เกิดจากน้ำตาลในธัญพฤษืชโดยผู้ผลิตบางรายอาจเพิ่มวัตถุดิบอื่นเข้าไปเพื่อสร้างสารรรสชาติให้แปลกใหม่ขึ้นด้วยอย่างเช่นผลไม้สมุนไพรหรือเครื่องเทศนะครับโดยเบียร์แต่ละยี่ห้ออาจมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันไปนะครับโดยเราจะสังเกตไดจากค่า ABV นะฮะหรือว่าแอลกอฮอล์ by volume ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะระบุเปอร์เซ็นที่แสดงถึงปริมาณของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มร้อย มิลลิลิตรนะครับซึ่งหากเบียชนิดนั้นระบุค่า BVP สี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่ า, อาเบียนี้ในปริมาณหนึ่งร้อยมิลลิลิตรจะมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณสี่มิลลิลิตรซึ่งโดยทั่วไปเบียที่จำหน่ายตามท้องตลาดมักมีค่า ABV อยู่ที่สี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์แต่ในบางยี่ห้อก็อาจมีปริมาณน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นนะครับ <S <S นอกจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกันแล้วนะครับเบียแต่ละประเภทก็ยังมีสีและรสชาติที่แตกต่างกันไปด้วยทางนี้ขึ้นอยู่กับ ก, บกรรมวิธีการผลิตอย่างเช่นเวลาบ่มรวมถึงว ที่ผู้ใช้แต่ละลายเนี่ยใช้นะครับโดยลากระเบียร์ซึ่งมักมีสีเหลืองอ่อนและสีใสเป็นเบียร์ประเภทหนึ่งนะครับที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในหมู่ผู้บริโภคของคนไทยนะครับโดยเบียร์แต่ละประเภทมีปริมาณแคลอรี่ที่แตกต่างกันนะครับผู้นู้นฟังโดยเบียร์มาตรฐานขนาด355ม、mm、ิลลิลิตรที่มีค่า ABV อยู่ที่4เปอร์เซ็นต์จะให้ปริมาณ พลังงานประมาณ153แคลอรี่ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต13กรัมโปรตีน2กรัมและไขมัน0กรัมนะครับทางนี้เบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงนะฮะก็จะให้พลังงานมากกว่าเพราะแอลกอฮอล์1กรัมนั้นให้พลังงานมากถึง7、g. แคลอรี่เลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เบียร์ยังประกอบไปด้วยสารอาหารชนิดอื่นๆครับที่ร่างกายต้องการอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมแต่ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยมากครับคุณผู้ฟังเครื่องดื่มชนิดนี้จึงไม่เหมาะนะครับที่จะเป็นแหล่งของสารอาหารหลักของร่างกายนะครับด้วยการดื่มเบียร์ในปริมาณมากหรือดื่มเป็นประจำก็อาจทำให้ปริมาณไขมันในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนเกิดการสะสมตามส่วนต่างๆโดวยเฉพา ะ, ะบริเวณรอบเอวนะครับซึ่งอาจทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคน อ้วนลงพุงโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะาเบียร์ที่มีปริมาณแคลอรี่สูงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณต่อลิตรนะครับเบียร์อาจจะให้แคลอรี่สูงเทียบเท่ากับน้ำอัดลมเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังอีกทั้งเนี่ยยังมีงานวิจัยที่ออกมาบอกนะครับว่าการเดื่มเบียร์อาจทำให้รู้สึกอยากอาหารอีกด้วยนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะทำให้นักดื่ม กินอาหารได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่มักไม่ตระหนักกันว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่สูงโดยผู้ที่ดื่มเบียร์แล้วแต่ยังรับประทานอาหารในปริมาณเท่าเดิมก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะได้รับแคลอรี่เกินเกณฑ์ที่กำหนดได้นะฮะโดยเบียร์จะเข้าไปขัดขวางการเผาผลาญไขมันกระบวนการย่อยสลายแอลกอฮอล์นั้นก่อให้เกิดของเสียที่เรียกว่าอะซิเตตและซิทัดดีไอส์ i, นะฮะเมื่อสมองตรวจจับสารทั้งสองชนิดนี้ได้จะส่งสัญญาณให้ร่างกายหยุดการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ใน ในขณะเดียวกันก็จะสั่งให้ร่างกายเนี่ยแป้งของเสียที่ย่อยจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปให้กลายเป็นไขายมันอีกด้วยนะครับโดวยการดื่มเบียร์เป็นประจำอาจจะทำให้ระดับไขมันในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นบางงานวิจัยกลับพบนะครับว่าการดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอดีหรือน้อยกว่า50มิลลิลิตรต่อวันอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำหนักตัวและไขมันรอบเอวนะครับดังนั้นหากจำเป็นต้องดื่มเบียร์ก็ควรดื่มแต่พอดีจะส่งผลดีที่สุดกับร่างกายนะครับด้วยหนุ่มสา ว, า ว, าวหลายคนสายปาร์ตี้ที่ชื่นชอบการดื่ม เบียร์อาจจะอ้วนลงพุงได้โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งปัญหานี้อาจทำให้หลายคนขาดความมั่นใจจนไม่กล้าใส่ชุดไว่ายน้ำตัวเก่งยิ่งไปกว่านั้นพุงหรือไขมันรอบเอวอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคได้สารพัดโรคเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานนะครับดังนั้นทุกคนจึงควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนอนแต่พอดีและมันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะอ้วนลงพุงและโรคต่างๆที่จะตามมาได้นะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนรู้สึกว่าตัวเองอ้วนลงพุงแล้วนะครับเราจะมีวิธีการลดไขมันรอบเอวได้อย่างไรนะครับโดยผู้ชายไม่ควรมีขนาดรอบเอวเกิน90เซนติเมตรและผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนติเมตรขึ้นไปนะครับหากคุณกำลังมีปัญหาอ้วนลงพุงหรือไขมันรอบเอวการลดไขมันรอบเอวที่ได้ผลที่สุดนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นอาหารที่มีคาร ลดตำ่ำออกกำลังกายเป็นประจำร่วมถึงงดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเพราะเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายอีกทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากหรือดื่มเป็นประจำก็จะทำให้คุณเนี่ยอ้วนขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนะครับผู้ชายจึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละสองหน่วยบริโภคส่วนผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินวันละหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับนอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงการกินขนมพบเคี้ยวระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ โดวยให้กินอาหารก่อนดื่มหรือกินระหว่างดื่มแอลกะหอฮอล์แทนนะครับคุณฟังครับนี่คือเรื่องราวของเรื่องเล่าก่อนเข้าขวดในวันนี้กับเรื่องราวของเบียร์นะครับว่าจริงๆแล้วดื่มแล้วเนี่ยทำให้อ้วนลงพุงจริงหรือมั่วนะครับ ไข ค, คำตอบกันแล้วนะครับนั่นก็คือกินแล้วอาจจะทำให้อ้วนลงผงได้จริงนะครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยจากเพจพบแพทย์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกับเรื่องราวของเมนูนักคิดนะครับวันนี้เมนูนักคิดมีผลิตภัณฑ์นมนะครับในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดปะผลไม้พื้นเมืองจากทางภาคใต้นะครับที่ไม่ได้เป็นแค่ผลไม้อย่างเดียวแต่มากคุณค่าด้วยคุณประโยชน์หลายๆอย่างด้วยติดตามได้ในช่วงหน้ากับเมนูนักคิดครับ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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับเมนูนักคิดครับอย่างที่ได้เกิดไปในตอนที่แล้วนะครับว่าวันนี้ในช่วงของเมนูนักคิดเองผมมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นมนะครับในการสร้างหมูลค่าเพิ่มจากมเมล็ดป่านะครับผลไม้พื้นเมืองมีคุณค่าจากทางภาคใต้นะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุลีพร นวลมุกสีนะครับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนาครศรีธรรมราชในฐานะของหัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากมเมล็ดป่านะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยเปิดเผยว่าการนำมเมล็ดป่าอันเป็นผลไม้ป่าพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธ ร, รรมราชในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหนันอำเภอ พี่ต่ำนะฮะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนอกจากการดองหรือการทอดเท่านั้นโดยการนำมาเป็นนมนะครับและนำเป็นกากทำคุกกี้นะครับซึ่งเป็นนมปะและคุกกี้แห่งแรกแห่งเดียวในโลกนะครับโดยลูกปะเป็นภาษาถิ่นนะครับตามพจนานุกรมแล้วจะเรียกว่าลูกกะนะครับหลายๆคนที่ไม่ใช่คนใต้อาจจะไม่ค่อย ค, อยคุ้นหูมากนักนะครับเพราะมีลักษณะคล้ายกับลูกยางพาราเวลาสุกก็จะแตก นะฮะลงพื้นเช่นเดียวกับลูกยางพาราซึ่งพบได้มากในภาคใต้นะครับด้วยปะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่และสูงมากลูกปะส่วนมากจะนิยมนำมาเป็นอาหารโดยการต้มการดองหรือการคั่วนะครับด้วยปะเป็นพืชที่เป็นอาหารของคนใต้ในท้องถินส่วนที่นำมากินได้แก่เมล็ดนะครับซึ่งเมื่อมะเมล็ดแก่จัดชาวบ้านจะถัง ใต้โคนจนโล่งเตียนเพื่อเก็บลูกปะที่แตกหล่นลงมาจากต้นนำมาประกอบอาหารได้มากมายหลากหลายชนิดนะครับโดยทำการต้มให้สุกแล้วนำไปดองในน้ำเกลือเป็นลูกปะดองเก็บไว้บริโภคได้นานนะครับโดยลูกปะดองเองแกะเปลือกออกไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างเช่นนำลูกปะไปใส่ในแกงส้ม แกงพุงปลาต้มกะทิหรือนเนาะข้าวหรือขนมจีนนะครับให้รสชาติเปรี้ยวมันอร่อยมากนะครับลูกปะสดนำไปปิ้งทำเป็นน้ำพริกลูกปะก็สามารถเก็บไว้ได้นานเหมาะสำหรับเป็นของฝากญาติมิตรและยังนำไปขั้วกับทรายกินเป็นอาหารว่างหรือนำเป็นหั่นเป็นชิ้นบางๆนำไปทอดหรืออบนะครับทำเป็นลูกปะรสเค็มและรสหวานเป็นของแต้มเครื่องดื่มนะครับโดยต้นปะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียและยังพบอยู่ในแถบหมู่เกาะสุมารตรา ต้นปะเป็นพืชสมบูรณ์เพศพบเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะครับต้นปะจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีท่าติอาหารสูงรวมถึงปริมาณน้ำใต้ดินต่ำนะครับสำหรับข้อมูลทางผู้ชนาการแล้วนะครับพบว่ า, มาเมล็ด ปะเองมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนในปริมาณที่สูงและมีความหลากหลายของชนิดของกรดไขมันอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในกลุ่มของกรดไขมันโอเมก้าสามหกและเก้าสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกอย่างเช่นนมปะและคุกกี้ได้นะครับด้วยขณะนี้นมปะกำลังอยู่ในช่วงของการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถยืนยันคุณค่าทางโภชนาการที่แน่นอนหากสำเร็จในอนาคตจะวางจำหน่ายให้แก่คนทั่วไปนะครับทั้งนี้จากการ ทดลองนะครับด้านรสชาติและการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคพบว่าสูตรนมเปาะที่ผู้บริโภคพึงพอใจมากที่สุดนั่นก็คือสูตรหนึ่งต่อสามโดยใช้เมล็ดเปาะหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำสามลิตรใส่น้ำตาลทรายสองร้อยห้ากิ่งปัจจุบันงานวิจัยนมเปาะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับ จำกําไนในชุมชนนะครับโดวยกลุ่มวิสาหกิจอาหารเพื่อสุขภาพหมู่สามและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยดงตําบลกรุงเชิงและซึ่งในอนาคตถ้าหากผลตอบรับดีก็จะมีการศึกษาวิจัยถึงพหุชนาการด้านสารอาหารนะฮะและจะพัฒนาเป็นนงปะรสชาติอื่นๆอย่างเช่นสูตรชาเขียวสูตรชอเเ็อกโกแลต สูตรงาดำเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกช่องไวงวัยที่หลากหลายมากยิ่งขึนครับและนี่คือเรื่องราวในช่วงของเมนูนักคิดที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของนมปะนะครับในการสร้างหมูลค่าเพิ่มจากมเมล็ดประ จากทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีคุณค่าหลากหลายแล้วก็มีคุณคา่าโภชนาการที่หลากหลายด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักกูนะครับช่วงหน้ามาต่อกับเรื่องราวของการคุยข้างครัวกับการดื่มน้ำนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าดื่มน้ำวันละแปดแก้วดื่มยังไงถึงจะได้ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพนะครับช่วงหน้าผมมาไข ค, คำตอบกับเรื่องนี้กันครับ RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโรยิวราชมุงคนทันยับบุรีครับ Food Delivery ช่วงกุยข้างครัว เข้าสู่ช่วงนี้ครับกับช่วงขวียข้างครัวนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับการมีสุขภาพดีถือว่าเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งปัจจุบันบ่อยครั้งในการดำเนินชีวิตท่ถามกลางความเร่งรีบการแข่งขันรวมถึงความกดดันหลากหลายอย่างทางด้านเศรษ ฐ, ฐกิจการงานต่างๆนะครับก็ส่งผลให้คนเมืองอย่างเรารวมถึงคนเมืองส่วนใหญ่กลายเป็นคนใจร้อนนะครับและมีความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวนะครับจึงต้องหมั่นดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้เข้มแข็งแต่เนื่นๆนะครับคุณผู้ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจในระยะหยาวนะครับซึ่งใครๆเองนะครับคุณผู้ฟังก็อยากมีสุขภาพดีนะครับอาหารและพัฒนาการก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยเช่นกันนะครับโดวยการมีพัฒนาการที่ดีนะฮะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตซึ่งความต้องการทางพัฒนาการของคนในแต่ละช่วงอายุก็จะแตกต่างกันไปในทุกช่วงวัยของการบริโภคอาหารที่ถูกหลักและ สมดุลก็จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตมีพัฒน า, าการและมีความสามารถในการเรียนรู้และการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับรวมทั้งลดโอกาสเจ็บป่วยหรือตายด้วยโรคต่างๆนะครับซึ่งพบว่าในอาหารมีองค์ประกอบของสารอาหารหลากักหลายอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างมากมายนะครับซึ่งข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเรวดีจงสุวรรัฒนะครับจากชมรมผู้ชนะวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยนะครับว่าน้ำถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบ ไปด้วยน้ำถึงเจ็ดสิบเปอร์เซนต์และน้ำเองก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของเลือดช่วยในการไหลายเวียนของโลหิต การย่อยการดูดซึมนะฮะรวมถึงการนำพาษสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะครับและที่สำคัญเองน้ำยังช่วยให้สมองทำงานได้ดีและทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งอีกด้วยนะครับโดยประโยชน์ที่ได้ยินกันมาตั้งแต่สมัยเรายังเป็นเด็กนั่นก็คือในหนึ่งวันเราควรบริโภคน้ำประมาณหกถึงแปดแก้วแต่หลายคนเองก็มักที่จะไม่ชอบดื่มน้ำนะครับโดยเฉพาะน้ำเปล่าแล้วจะมีสักกี่คนนะครับที่ดื่มน้ำได้เพียงพอซึ่งหากในแต่ละวันร่างกายได้รับน้ำน้อยจนเกินไปก็จะส่งผลเสียให ให้ร่างกายนะครับเช่นเลือดจะมีความหนืดจนทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอส่งผลให้เส้นเลือด นนสมองเสื่อมเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเป็นอำพัมพาตอัมพาตนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังในแต่ละวันร่างกายจะสูญเสียน้ำตลอดเวลาจากทางเหงือ่อการหายใจการทับทายโดยเฉพาะประเทศของเราเองเป็นเมืองร้อนทำให้มีโอกาสสูญเสียน้ำได้ง่ายนะครับดังนั้นร่างกายของเราเองก็ต้องได้รับน้ำในปริมาณที่มากขึ้นโดยสำหรับผู้สูงอายุจะไม่ค่อยมีความรู้สึกกระหายน้ำนะครับแม้ในยามที่ร่างกายต้องการก็ตามจึงต้องเน้นย้ำในการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อผู้สูงอายุนะครับโดยปกติ นะฮะคนเราเองจะต้องการน้ำ 0.05 ลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมอย่างเช่นน้ำหนักตัว50กิโลกรัมก็ควรได้รับน้ำ 2.5 ลิตรหรือ 2,500cc นะครับโดวยกาแฟและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็มักจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำได้ซึ่ง ไม่นับสิ่งเหล่านี้เป็นปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวันนะฮะรวมถึงนมด้วยเพราะนมเองเป็นสารอาหารนะครับดังนั้นไม่ควรคิดว่าการดื่มนมนั้นจะทดแทนการดื่มน้ำเปล่าได้นะครับและสำหรับผู้หญิงที่ให้นมบุตรก็อาจต้องเพิ่มน้ำให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนอกจากจะสูญเสียน้ำในน้ำนมนะครับและถ้าหากคุณเป็นไข้หวัดคุณก็ควรพยายามดื่มน้ำมากๆเพื่อป้องกันอาการขาดน้ำและช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับสำหรับผู้ที่มีปัสสาวะสีเหลืองเข้มอาจจะ เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าร่างกายของคุณกำลังต้องการดื่มน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราเองก็ต้องมาทำความเข้าใจและข้อควรรู้ของการดื่มน้ำที่ถูกวิธีและดื่มเพื่อสุขภาพกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับน้ำที่เราดื่มก็ควรเป็นน้ำที่ปราศจาก สิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและควรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิปกติคือไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดยกเว้นในบางกรณีอย่างเช่นตอนเช้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรดื่มน้ำอุ่นๆเพราะจะช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับร่างกายของเราต้องการน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วนะครับซึ่งไม่นับรวมชากาแฟนะครับควรแบ่งการดื่มน้ำเป็นช่วงๆดังนี้นะครับตอนเช้าหรือหลังตื่นนอนควรดื่มหนึ่งแก้วนะครับเนื่องจากในขณะที่เราหลับอยู่ร่างกายของคนเราขาดน้ำมานานเลือดจึงมีความเข้มข้นสูงและ อยู่ในสภาพะที่ขาดน้ำนะครับตอนสายประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงร่างกายสูญเสียน้ำจากการทำกิจกรรมในช่วงเช้าไปแล้วเราก็ควรดื่มน้ำในเวลานี้ประมาณสองแก้วช่วงบ่ายประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับหลังรับประทานอาหารกลางวันก็ให้ค่อยๆจิบน้ำไปเรื่อยๆให้ได้สองถึงสามแก้วเช่นกันนะครับและช่วงในเวลาเย็นสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปก็ควรดื่มน้ำให้ได้ถึงสองถึงสามแก้วเลยทีเดียวนะครับจนกว่าจะเข้านอนก่อนที่จะเข้านอนก็ควรดื่มอีกสักหนึ่งแก้วเพื่อให้เลือด น้ำที่ดื่มไปเนี่ยไหลเวียนเข้าสู่ในการชะล้างสิ่งที่ตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารถ้าเป็นน้ำอุ่นก็จะช่วยให้ร่างกายหลับสบายด้วยนะครับซึ่งแนวาทางการปฏิบัติในการดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีดังนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยคือจิบน้ำเพียงละน้อยตลอดทั้งวันโดยไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าจะรู้สึกกระหายและไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำ 2-3 แก้วติดต่อกันเลยทันทีในช่วงการดื่มในเวลาปกตินะครับและ อย่าดื่มน้ำมากเกินไปก่อนที่จะรับประทานอาหารหากจะดื่มน้ำก็ควรดื่มน้ำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบห้านาทีและในระหว่างรับประทานอาหารไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลานะครับเพราะจะทำให้น้ำย่อยในกระเพราะอาหารเจือจางทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่อาหารไม่ย่อยและเกิด อ, อาการท้องอืดได้นะครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วสี่สิบนาทีครับคุณฟางค่อยดื่มน้ำตามปกติไม่ควรดื่มน้ำทันทีเพื่อให้กระเพาะจะได้ย่อยอาหารเสียก่อนนะครับและควรดื่มน้ำทุกครั้งที่รู้สึกกระหายและ ค่อยค่อยดื่มนะครับอย่าดื่มทีละมากๆเพราะจะเป็นการเพิ่มพาละให้กับไต ปอดน้ำและระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายด้วยนะครับซึ่งเรารู้เคล็ดลับดีๆของการดื่มน้ำแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับผู้นู้นฟังเพราะนอกจากที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยแล้วยังช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นกระปรี้กระเป๋าผิวพรรณดูสดใสแล้วหุค่นก็อาจจะมีความสุขและสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันอีกด้วยครับและนี่คือเรื่องราวของคุยข้างครัวในวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักกูครับผู้นู้นฟังมาติดตามกับช่วงสุดท้ายกับเปิดหม้อนะครับวันนี้เป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 กลับมากับช่วงเปิดหม้อครับวันนี้เปิดหม้อมีเมนูหมี่ส้ว่านะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสูตรอาหารหมี่ส้วในวันนี้นะครับเป็นสูตรที่นำน้ำพริกเผากับเป็ดกรอบตุ๋นน้ำมันมะกอกนะครับซึ่งเมนูวันนี้สำหรับสองที่นะครับซึ่งจะมีส่วนประกอบไปด้วยหมี่ส้วลวกสองร้อยห้าสิบกรัมน้ำมันจากการตุ๋นเป็ดสามช้อนโต๊ะนะครับเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนุ่มหั่นชิ้นบางหกดอกกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองแครอทหั่นเส้นห้าสิบกรัม ผักกวางตุ้งหั่นท่อนหนึ่งนิ้วลวกสองต้นนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพริกไทยดำบดนะฮะหนึ่งช้อนชาต้นหอมหั่นท่อนหนึ่งนิ้วสองต้นนะฮะและเป็ดตุ๋นน้ำมันมะก อ, อกใช้ขาเป็ดสองขาเกลือสมุนสำหรับหมักเป็ดหนึ่งช้อนชารากผักชีบุบสองรากนะครับกระเทียมบุบสามกลีบพริกไทยดำบุบหนึ่งช้อนชาและน้ำมันมะก อ, อกส่อนสองถ้วยนะครับโดวยวิธีทำนะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือการเตรียมเป็ดตุ๋น น้ำมันโดยใช้ขาเป็ดนำมาปรุงรส ด, ด้วยเกลือให้ทั่วนะครับนำไปใส่ภาชนะสำหรับอบใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำตามลงไปจากนั้นเทน้ำมันมาเกาะให้พอท่วมนะครับนำเข้าอบที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะครับไฟบนล่างเป็นเวลาสองชั่วโมงจึงนำออกมาจากเตาอบพักไว้นะครับระหว่างนั้นก็ลวกหมี่ส้วนในหม้อ น้ำเดือดด้วยไฟกลางให้พอสุกตักขึ้นล้างด้วยน้ำเย็นนะครับพักให้เสะเด็ดน้ำใส่น้ำมันในการตุ๋นเป็ดเล็กน้อยลงไปในกระทะนะครับนำขาเป็ดที่เตรียมไว้ลงทอดในกระทะด้านล่าง ให้หนังค่อยๆทอดจนเป็นเป็ดกรอบสีสวยนะครับจากนั้นพลิกกลับด้านแล้วทอดต่อไปอีกหนึ่งนาทีจนเนื้อเป็ดมีสีเล็กน้อยนะครับจึงนำขาเป็ดขึ้นพักไว้นำกระทะผัดใส่น้ำมันจากการบุบเป็ดตั้งไฟจนร้อนนะครับใส่กระเทียมเหิดหอมผัดพอเหลืองหอมใส่ตามด้วยเคโลตผัดให้สุกนะครับจากนั้นเลี้ยงไฟแรงใส่ไข่ใส่มีส้วบปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย น้ำพริกเผาน้ำตาลพริกไทยผัดให้เข้ากันใส่ผักกวางตุ้งลวกนะครับพอผัดเข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟแค่นี้ก็จะได้หมีส้วนนะครับตักใส่จานวางด้วยขาเป็ดตุ๋นนะฮะแล้วก็ราดน้ำเข้าไปก็พร้อมเสิร์ฟผัดมีส้วนน้ำพริกเผากับเป็ดตุน๋นน้ำมันมะก อ, อกนะครับหนึ่งเมนูอร่อยๆที่นํามาเปิดหม้อในวันนี้กับหมีส้วนนะฮะเป็ดตุน๋นผัดน้ำมันมะก อ, อกแบบอร่อยๆนะครับ คุณผู้ฟังครับและเดินทางมาครบทั้งรายการของฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมเสิร์ฟความรู้คู่ความอร่อยหลากหลายช่วงรายการหลากหลายรสชาติทางเอฟเอ็ม 89.5 วิทยุราชมงคลธัญญบุรี